ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องชีวิตนี้จะเอาอะไรโดยพ่อท่านโพทิรักเมื่อวันที่สทธันวาคม2538แสดงไว้นพุทธสถานประถมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ที่เรานอบน้อมนะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระไตรรัตน์ของศาสน า, าพุทธเราเนี่ยก็เพราะว่าสามคำสามชื่อเนี่ยรวมไว้ทั้งหมดในศาสน า, าพุทธและต้องมีครบพร้อมทั้ง ส, งสมอย่างสามอย่างนี่เราก็จะต้องแบ่งออกด้วยแบ่งได้แต่แยกไม่ขาดจากกัน สมมุติว่าเราเป็นพระสงฆ์แต่เราไม่มีพระธรรมนมี่หมายความว่าแยกเราไม่มีพระพุทธอันนี้ไม่ชื่อว่าพุทธศาสนาเลยจะเรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์บวชต่อให้บวชทาพิธีบวชให้ใหญ่โตไงก็แล้วแต่บวชให้นานเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่มีพุทธธรรมไม่เป็นเป็นคนไม่ได้สร้างไม่ได้ด้เราเรียนหรือว่าเราเรียนก็ไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเป็นอริยธรรม เป็นธรรมะที่แท้ของพระพุทธเจา้าเรียกว่าส ม, มุติสง่งเท่านั้นผู้นี้ยังไม่ใช่องค์ของศาสนาที่แท้จริงพระพุทธเจา้าท่านนับเอาองค์ของศาสนาที่แท้จริงสําหรับพระสงค์นะั้นนับอริยสงฆ์อริยสงฆ์ที่มีคุณธรรมบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบรรโสดาปฏิมักเป็นต้นโสดาปฏิมกักโสดาปฏิพลนยิ่งสูงไปเป็นสกิทาคามีมักสกท า, า, าคามีพน้น ไปจนถึงอรหัตมรักอรหัตผลใน8ดนั่นเราเคยสวดกันอยู่บทสวดยาวกนนี้สวดสังคคุนสุปฏิปโนสาวกสังคโฆอุชุปฏิปโนอะไรนี่เราสวดกันอยู่ในบทสังคคุณมีอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าอะไรเอสะพระคัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะ บุคลานนะิเป็นต้นว่าญติตังจัตตาริบุคคล4ก็คือพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหรันหรือจะแยกเป็น8ก็ตางเป็นโสดาปฏิมรคโสดาปฏิพนนินหนึ่งส ก, กิทาคามีมรคสกิทาคามีผลสองอนาคามีมรคอนาคามีผลสอรหัตมรคอรหัตพล4นีะ่พระอริยะ4แต่แบ่งว่ามีมรคมีผลในระดับมีขั้น เริ่มบำม ร, รู้จักสัมมารอริยมรรคและเริ่มปฏิบัติปฏิบัติเป็นถึงจิตในว่าปรมัตสั จ, จะแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราเห็นอนิจจงเห็นทุกขังเห็นอนัตตายังไม่ถึงอนัตตาถ้าสมมุโลโสดาปฏิมรักอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ขั้นที่รู้ว่าจากอนิจจงเนี่ยถือว่าพลมิจฉาทิติเห็นความไม่จริงไม่เที่ยงของกิเลส กิเลสมากก็รู้ว่านี่เป็นปุถุชนปุถุปแ ป, ป, ปลว่าหนากิเลสมันมากขึ้นอ่านกิเลสออกนะอ่านใจเราเป็นกิเลสกิเลสเหมือนสมมติว่าเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้อ่านออกกิเลสมันไม่เที่ยงมันจะไม่หยุนแต่ที่แร้วมันไม่แน่ไม่นอนแล้วคุณรู้กิเลสแต่ละคนนะบางทีก็แรงบางทีก็เบาทุกคนก็รู้ทุกคนนะทให้โ ง, ง่เกินขนาดนะคันอีเดียตกโมหลอนเมื่อแล้วไป แต่ถ้าขันธรรมดารู้ทั้งนั้นแหละอานอาการใจเรารู้สมมติว่ากิเลสเท่านี้เนาะอานะอตมาสมมุตินะเป็นยูนิตหนึ่งเราเห็นกิเลสเรานี้ไม่เที่ยงอานอาการนั้นออกเนี่ยเรากําลังมียานรู้รู้ว่ากิเลส ข, ของเราเนี่มันจริงนะมันอนิจจังการเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นไตรลักษนณะ์ไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัน่ยมันตรรกะศาสตร์นะ่ยมันเรื่องของความคิดพกพันเอา แต่ความจริงปรมาจารย์ต้องอ่านอาการในใจเรานี่เห็นใจนี่เป็นไตรลักษณ์เห็นใจเห็นจิตวิญญาณเห็กิเลสเราเนี่ยโดยเฉพาะเห็นกิเลสจับกิเลสได้ตอนนี้กําลังโกรธแหมตอนนี้กําลังโกรธน้อยกําลังโกรธมากมันโกรธทําให้มันหายโกรธมันไม่หายฮ่มันมากขึ้นมากขึ้นด้วยมันยิง่งลุก คือขึ้นมันกําลังถูกเขาด่าถูกเขายั่วยั่วยิ่งแรงยิ่งแรงอานการใจออกตัวเองอ่านออกเมื่อใดเมื่อใดเมื่อนั้นกำลังอยู่ในภาคปฏิบัติของพระพุทธเจา้าของเราเป็นภาคปฏิบัติที่เป็นปรมาเทศจะเมื่อเห็นกิเลสโตขึ้นนั่นคือกิเลสหนาขึ้นในว่าปุถุชนขณะได้กิเลสเราไม่หยุดเลยมีแต่โตขึ้นต่อขึ้นนั่นคือเราอยู่ในภาวะปุถุชนคนมีกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นปุถุแปลว่าหนาแต่ถ้าเราเห็นกิเลสหนาขึ้นแล้วเรามีวิธีทําให้กิเลสมันลดลง จะลดลงได้น้อยหรือมากก็แล้วแต่เราสามารถจะใช้สมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาวิธีทําให้มันลดลงได้เราทําด้วยตัวของเราเองเราสามารถทําได้จริงลดลงได้นั่นแหละเรียกว่าเริ่มต้นเข้ามักเดินมักเลยไปในทางาแล้วก็เดินละเราเป็นคนเดินเราเป็นคนดําเนินไปเราเป็นคนสุขตะเราเป็นคนไปดี ลดกิเลสได้นี่เป็นการไปดีที่สุดในความเป็นมนุษย์โลกเพราะอันนี้เป็นทรัพย์คุณไปได้เงินทองทรัพย์สิงคาน์มร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ใช่ทรัพย์ของคุณหรอกทรัพย์ของคุณคือกรรมคือวิบากจะติดตัวคุณไปคุณไปเคารัพชั่นมาคุณได้มาตั้งหล้านเคารัพชั่นมาได้ร้อยล้าน คุณได้เงินมาแต่คอร์รัปชันคือกรรมคุณได้กรรมด้วยแล้วกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์ที่จริงไอ้ร้อยล้านพันล้านนั่นนะตายไปไม่ดได้เอาไปด้วยเอาไปด้วยเปล่าตายไปแล้วเอาไปด้วยไหมแต่กรรมที่เราคอร์รัปชันนั้นไม่มีใครลบได้เอายางลบลบไม่ได้เอาหมึกเคมีเก่งเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกแล้วปาดแบ่งไปให้ใครก็ไม่ได้ด้วย นั่นนะซับแท้จะไปกับเรานึกให้มากถ้าเกิดเป็นคนนี้กรรมชั่วใดๆไม่พึงทำทำแล้วเราลบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องไปบอกในสุวรรณในสุวรรณจดในสุวรรณคืในอะไรกันดูดีเกกันมาเยอะแล้วอ่ะไม่ต้องให้รอในสุวรรณจดลงไปในหนังหมามันเป็นกรรมอันเป็นอันทำทาแล้วบอกว่าเราไม่ทำไม่ได้ทำในที่ลับทำในที่แจ้งคนรู้คนเห็นหรือคนไม่รู้ไม่เห็น เราต้องรับกรรมนั้นเป็นของของตนกรรมมักตาแปลว่ากรรมเป็นของของตนตนทํากรรมมทายาตเราต้องรับมรดกกรรมของเราทั้งสิ้นแบ่งให้ใครไม่ได้เขียนพินัยกรรมให้ใครอย่างไรก็ไม่มีได้ต้องรับของเราหมดทั้งสิ้นเราจํากรรมของเราไม่ได้พระพุทธเจ้าตรารุกชาติได้ร้อยราชชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติท่านเห็นกรรมต่างๆที่ท่านเคยทําตรวจโอชาตินี้เกิดเป็นชื่อนี้ ผิวพันณงามผิวพรรณซามามีอาชีพอย่างนั้นอาชีพอย่างนี้ทําชั่วอย่างนั้นทําชั่วอย่างนี้หรือทําดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านระลึกได้มากหมายหรือใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติธรรมอภิญญาแล้วสามารถระลึกได้จะระลึกได้เช่นนั้นเราะระลึกไม่ได้ชาติที่แล้วเราลรึกชาตินี้เมื่อวานนี้เนี่ยไปทําชั่วมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำชั่วม า, า, วนะวมาเดือนที่แล้วไปโกหกหรือสมเดือนที่แล้วไปขโมยเข้ามาอะไรก็แล้วแต่จําได้ะระลึก นราละกแท้กําจริงเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านระลึกรละข้ามชาติได้นี่มันจึงเห็นชัดเจนว่าโอ้โหนี่มันอยู่ทั้งนั้นอยู่ทั้งกระบีเลยไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนท่านระลึกได้ยึงก็ต้องสงวัตถกรรมวิวัตถกรรมไม่รู้หมื่นแสนชาติเพราะมันไม่หายไปไหนมันไม่หายไปไหนมันเป็นสมบัติของตนของตนแล้วมันก็มีฤทธิ์ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเจริญเทว่านิาม ลึกชาตินี้ได้กันเราเกิดเป็นนามนั้นชื่อนั้นโขดนั้นเนี่ยไปอ่านดูสิในพระตปิฎกมีผิวพันธ์ดีมีเผ่าพันธ์สามก็หมายความว่าเกิดมาสวยบ้างไม่สวยบังเกิดมารูปดีรูปร่างดีรูปร่างไม่ดีบ้งางได้ดีตกยากาฐานะดีบ้างตกยากเป็นกยาจกบังอะไรกันแล้วแต่แต่ละชาติแต่ละชาติหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเพราะกรรมเราจําแนกสัตว์กรรมเราทําให้เราเป็นไปอยากจะให้พวกเราเนี่ยคํานึงถึงกรรมให้มากเลย ไปหลงแต่เอลาบยศสั้เสริญโลกียสุขอะไรโรคโรคโรคโรคเนี่ยเสียเวลามาพบาศาสนาพรุทธเจ้าแล้วไม่เอาแก่นเนื้อแท้แท้อันนี้แล้วไปมัวเอาแต่ขยะขยะกากเศษอะไรอะรอยู่ในของาศาสนาแม่มันน่าเสียดายอาตมาเหน็ดเหนื่อยที่จะจำจีจำใจให้เอ า, าศาสนาให้เอาเนื้อแท้อันนี้ของพระสมมาสมพุรติเจ้าแลา้วภาคเพียรเอาของใครของหมือนยาก ขอยืนยันว่ายากไม่ง่ายหรอกแต่พวกเราเนี่ยนะไปแย่งลาบอย่างยศนี่ยากแสนอย่ากนะโอ้โหบางทีนี่ปวดหัวปวดหัวต้องกินยานอนหลับกันก็ยังไปแย่งกันอยู่ดีไม่ดีฆ่ากันจะตายจะเป็นนี้กันซอกซอกซอ น, ซอนๆก็ยังสู้แย่งอะไรลาบยศสันเสริญเ<ๆ>ดี๋ยวนี้ต่อสู้กันอยู่ในสังคมนี่หนักหน า, นาสา ก, กันทําไมไม่มาแย่งเอาอันนี้บ้างไม่มาแย่งเอา สิ่งดีที่พรุทธเจ้าท่านคนพบแล้วของให้เรานี่สะสมเอานี่คือทรัพย์อาตมาขอยืนยันว่านี่คือทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์แท้ของมนุษย์มันพอบฟังชัดขึ้นมังไหมที่ยกตัวอย่างเนี่ยเอาเธอะคุณจะไม่ไปปล้นไปจี้เขาก็ตามคุณไปทำงานแข่งขันนะขยันหมั่นเพียรแหนอันนี้เขาจ้างแพงก็ไดเงินทองมากกไดแต่เงินมากกดีใจกับเงิน ก็หลงระเริองอยู่กับไอ้ดีใจกับเงินนั่นแหละดีใจกับทรัพย์นอกๆนั่นแหละแล้วเอ็กฟูใจนําก็อุปกเกเรสไม่ใชกินไม่ไม่จะของดีอะไรเท่าไรหร่หรอกแต่เหมือนมันสุกมันพอใจนะมันได้ได้ลาบได้ยศมันก็สุกเป็นกิเลสโลกเรียกว่าโลกุโลกีลกสุกเรียกว่าอัศทะเรียกว่าสุขคันลิ ก, กะมันได้ทั้งนั้นภาษาบาลีเยอะแะนะเป็นโลกโลกธรรมดา เพราะงั้นถ้าเผอว่าเราไม่มาเอาแก่นเนี่ยเราก็ศูนย์เปล่าหน้าเสียดายนะที่อาตมาเมื่อกี้ขึ้นต้นนะครับว่าสงคือพระเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้สืบศาสนาเป็นผู้สืบทอดเพราะฉะนั้นถ้าสงสาวกพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สาวกแท้ก็สืบทอดสิ่งที่ไม่แท้ก็พากันเล่นดิเกละครกันอยู่ น, นเนี่ยมาเโขหัวลดน้ำหมกน้ํามนต์ทาเครื่องรางขายทําอะไรตออไรเล่นกันไปสวดสวด ท่องสวดบนอะไรกันไปอย่างนั้นเนี่ยฉลอนึกว่าศาสนาก็มีผิวผิวเนเผลอฉลอกันไปอยู่เท่านั้นไปตลอดเพราะนั้นผู้ที่มีสาระที่เป็นสาระสัจจะก็จะเน้นกับพยายามจะแจกสาระสัจจะผู้ใดไม่มีอะไรจะแจกเขาก็แจกสิ่งที่เขาคิดว่าดอีองไหนจะว่าเออฉันมีอันนี้ของดีก็แจกของดีนะั้นคนก็มารับกันใหญ่ก็เอาตามกิเลส คนกิเลสมากก็ไปหาไอ้ที่มันสมกับกิเลสคนมีญาณปัญญาก็มาเอาสิ่งที่เป็นสาระสัจจะมาเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อได้ไปแล้วจึงจะเป็นสง์พระส่งคือคนสาวกเรียนธรรมะของพระเจา้าแม้เป็นฆราวาสก็เป็นสง์ได้พระเจ้าไม่ได้ยืนยันไม่ได้ตรัสว่าผู้ที่จะเรียกว่าสงสาวกหรือว่าเรียกว่าภิกษุนั้นจะต้องนุ่งห่มนี้เท่านั้นใช่นุ่งหม่ม นุ่งหมจีวรพระเจ้าเรียกว่าภิกษุโดยลำลองโดยสมมุติแต่พระเจ้า ต, ตรัสไว้ชัดเลยในพระธรรมปิฎกมีอาตมาจําชื่อสูตรไม่ได้ผู้ใดปฏิบัติ ด, ดีมีการละกิเลสมีจิตอันสงบได้ควรเรียกผู้นั้นว่าจะเรียกว่าภิกษุจะเรียกว่าพระามจะเรียกว่าสมณะได้ไม่จำเป็นไม่ใช่เจ้าต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเรียกผู้แต่งเนื้อแต่งตัวมีเครื่องหมายเท่านั้นเป็นสมณะเป็นพระเป็นภิกษุท่าเรียกอริยสงฆ์นะ เรอริยบุคคลเป็นพระอริยะารวาสนี่ก็ได้ขอให้ถึงเนื้อนี้เมื่อได้เนื้อนี่แหละเราถึงได้สัมมาเป็นอริยธรรมของบุรุษเจ้าชื่อว่าธรรมที่ิบุรุษเจ้าท่านตรัสรู้และเอามาสอนเผยแพร่เราจึงมีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวเสร็จเพราะฉะนั้นสง์ที่ไม่ได้มีเนื้อหาอาริยธรรมจึงไม่ครบพระไตรักไม่ครบพระใจรักฟังดีๆนะฟัง จ, จัดๆ ไม่ใช่พระไตรรัตน์ไม่ใช่ที่พึ่งกันเกษมทั้งสามที่เราท่องบ่นกันอยู่ในไม่ใช่แยกได้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแท้แล้วแยกไม่ได้ถ้าเป็นอริยสงฆ์แท้เป็นผู้ที่มีคุณค่าคุณธรรมมนั้นจริงครบไม่แยกพระสงฆ์คือผู้มีพระธรรมที่เป็นอริยธรรมที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ถูกต้องเป็นสัมมา ร, รวมกันอยู่ในพระไตรรัตน์นี่เป็นสารสัจจะที่ สำคัญนะเพราะในการมโนมน้อมมานอบน้อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเนี่ยเราไม่ใช่มาท่องบนแต่ปากเพราะฉะนั้นใครจะปตัญญาณได้แค่ว่าขอขอพึ่งขอพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาพึ่งอยู่แล้วก็ไม่ไม่เอาจริงเอาจังอะไรนานๆก็มาพบหน้ากันทีเสร็จสิส้นแล้วก็ไปพึ่งโ น, น้ไปพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งโลกโลกีพึ่งโลกอะไรที่ก็พากันปั่นหัวให้ไปที่ไดน แย่งชิงกันเน็ดเหนื่อยอยู่น่นอย่างเดียวใจก็ว่าเราเป็นพุทธเราก็ว่าเราเป็นพระสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ว่าเราตับถือศาสนาพุทธแต่เสร็จแล้วเราไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้แรงงานไม่ได้ให้ทุนรอนหรือไม่ให้ใดให้ความเอาใจใส่อะไรกับพุทธเท่าไหร่เลยเนี่ยมันก็สอนหรืมันก็ชี้บ่งได้ว่ามันไม่ ไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นสาระสำคัญอะไรเท่าไหรหรอกที่อาตมาพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะปลุกเราให้พวกเราได้เห็นความสาคัญของศาสนาทุก น, นี้สังคมเนี่บกพร่องสังคมนี่ขาดศาสนาขาดธรรมะของพระพุทธเจ้าขาดความเป็นจริงของคนที่มีจิตวิญญากิเลสน้อยลงไม่ต้องไปบอกม่พูดต้องไปพูดถึงว่ากิเลสหมดขาดคนที่กิเลสน้อย มันมีตกิเลสมากขึ้นมากขึ้นที่เทตมาเมื่อกี้พูดถึงว่ากิเลสถ้าเราอ่านใจเราออกแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกิเลสได้แล้วเห็นอันนี้จังเห็นกิเลสไม่เที่ยงแม้คุณเห็นไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นเห็นจริงๆนะอ่านออกเริ่มต้นเห็นกิเลสตนเองว่ามันแหมสู้มันไม่ค่อยได้สักทีมันโตขึ้นเลยมันหนาขึ้นเลยเราก็เป็นปุตตชนอยู่เรื่อยๆยังไม่พ้นศิลิปัตปรามาตนี่ถือว่ายังไม่พ้นศิลิปัตปรามาต กิเลมันโตขึ้นเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วอ่านออกนะคุณแค่นี้วุติธรรมท่านชื่อว่านี่คุณเห็นอันนี้จังแล้วและถือว่าคุณพ้นมิจฉาทิฐิพ้นมิจฉาทิฐิแล้วแต่ยังไม่พ้นสกาญาทิฐิเพราะว่าคุณยังลดกิเลสไม่ได้เมื่อใดคุณลดกิเลสได้จะน้อยนิดก็ตามอ่านออกแล้วโอ้เราลดได้แฮะลดได้หน่อยนึง ลดกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยของทุกอริยสัจกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ลดได้น้อยหนึ่งคุณก็ยุติสึกว่าทุกข์มันนี่คือทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์นะตัวทุกข์ถูกทําลายมันถูกตัวมันนะมันจะไปบำบัดอาการทุกเฉยๆนะเบอรเบอรอันบำบัดอาการทุกมันมันมันมันทุกข์ก็เลยไปกินเหล้าหายทุกข์มันทุกข์ก็เลยไปเตดระบำหายทุกข์มันทุกข์ก็ไปชอปปิ้งหายทุกข์ นี่มันซิมทรอมีตริกทรีเมนบำบัดอาการอาการทุกเ์มดปวดท้องกินยาแก้ปวดแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรปวดเราเป็นลำไส้อักเสบเรากิน อ, อาหารเป็นพิษเราปวดท้องอะไรไมันใหญ่นาะสารพัดถามหมอก็ได้เป็นหมอเปล่าหมอพี่ชายไม่มาอ่ะ ปวดท้องมันปีศาสารพัดต้องตามกันไปหาเหตุ Radical Treatment ต้องรักษาที่เหตุนั้นให้ลงคือจับเหตุจับสมุทยัยจับกิเลสให้มั่นนั่นคืเหตุแห่งทุกข์นี่เรากำลังปฏิบัติอริยสัจสนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดจับเหตุแห่งทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์ได้นั่นทุกข์ลดผู้นี้กำลังเห็นไตรลักษณ์ข้อที่สองคือทุกข์อันนี้จังข้อแรกพกมิฉาทิฐิในข้อแรก แม้มันโตแม้มันยังหนาอยู่ก็ช่างคุณพ้นพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วจับให้แม่นที่ประมัดคืออันนี้ประมัดนี่คือสัจจะที่แท้เนี่ยพออันที่สองจับได้แล้วคุณสามารถลดได้ลดได้หมายความว่าหนึ่งมีสติปัฏฐานสี่มีสติสัมโพชฌงสองมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิจัยกิเลสออกได้มีวิธี วิธีทําให้กิเลสลดได้คุณมีสัมมาอริยมรรคนั่นเองลดมันได้แล้วคุณก็มีญาณอ่านออกมีอธิปัญญาอ่านของเราเองออกเรียกวกัตาทิพนี่ตาทิพไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วก็ไปเห็นลูกแก้วลูกแหวนเห็นวิมานสวรรค์อะไรนะั่นไม่ใช่หรอกนี่แหละสวรรค์แท้เนี่ยเทวดาแท้จิตวิญญาณลดกิเลสลงนี่เลยว่าอุบัติเทพไม่ใช่สมุติเทพนี่แหละเทวดาแท้ทําไม่จริงทําให้บ่อย นี่แหละคือกําลังถึงขั้นทุกเมื่อกี้ขั้นอ น, นิจจังนี่ขั้นทุกขังลดลงไปเรื่อยๆนี่ลดลงไปเรื่อยก็คือลดสักกายทิฐิลดลงไปลดลงไปอยู่ก็ต้องกิเลสน้อยเหลือขนาดหนึ่งเราเรียกว่าอัตตาสักกายอัตตาอาสวะนี่เรียกว่าตัวตนสักกายก็ตัวตนอัตตาก็ตัวตนอาสวะก็ตัวตนแต่สักกายนี่แปลว่าตัวตนอันใหญ่อัตตาเนี่เป็นคำํำกลางเรียกกลางเป็นคํากลางหรือระดับกลาง อัตตานี่เรียกขาเรียกกันอัตตาตัวตนนี่เรียกทั่วไปหมดกลางกลาถ้าเรียกจำพาะลงไปว่าส ก, กายะเนี่ยเรียกว่าตัวเฮียเรียกว่าตัวใหญ่กิเลสใหญ่กิเลสระดับต้นพระอัตตานี่กเกีกลางอาสวกิเลสส่วนปลายส่วนน้อยส่วนที่เหลือเพรา ะ, ะนันเราก็ทําให้อสักกายะนี่ลดลงไปเรื่อยๆเป็นเหลือจนกระทั่งเหลือระดับกลางแล้เรียกว่าอัตตา อันนี้ภูมิมาทำของเราก็จะเข้าไปหาอัตตานุทิฏฐิเมื่อกี้พ้นมิจฉาทิฏฐิต่อมาพ้นสกอาเยทิฏฐิต่อมาพ้นอัตตานุทิฏฐิจพะพ้นนะไม่ไม่ใช่ว่ามันพ้นเลยมันจะเลื่อนภูภูมิเลื่อนฐานกันมาสู่อัตตาพอลดอัตตานี่เข้าไปจนกระทั่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงนยจนกระทั่งเหลืออาสวะมันก็น้อยลงไปเรื่อยจนกระทั่งดับอาสวะเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเลยแม้แต่อาสวะก็ไม่เหลือตัวตนพน้นอันตานุอัตตาณุทิฏฐิดับอสวะสิน้นนี่คืออรหัตผลเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาปรากฏเป็นประจักษ์สิทธิมีผลสําเร็จแห่งการเห็นอนัตตาไม่ใช่อนัตตาเอออะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไอเนี่ยมันตรรก มันก็บำบัดกิเลสได้มันก็บำบัดได้บ้างแต่ว่าบําบัดอารมณ์น่ะบำบัดเมือนก็รักษาอารมณ์รักษาความปวดด้วยการกินยาแก้ปวดเฉยๆอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นการบําบัดอาการเฉยๆไม่ได้บําบัดเหตุนะมันก็บอกเออไม่เอาไม่เทียงไม่เทียงจะไปยึดมั่นถือมันเลยถ้าเราทําใจให้ไม่ยึดมั่นถือมันได้ชั่วคราวเออมันก็ค่อยช่วเหมือนกันนะมันก็คลายทุกข์ไปได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าบําบัดเหตุแห่งทุกข์ช่วยได้อุปการะ จะมีผลเหมือนกันลดล ด, ลดทุกหรือลดกิเลสบ้างเหมือนกันโดยการใช้อันนี้ไปแต่มันผิวเผินเหลือเกินนะผิวเผินเหลือเกินมันก็แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผยว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ไม่รู้จักประมาจิดังที่กล่าวนี้ที่บอกว่าเป็นผู้ที่ถึงซึ่งไตรรักษ์ทุกได้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่มีสภาวะดังกล่าวนี้ถ้าแม้ว่าไม่รู้จักประมาจิดังที่อาตมากล่าวผู้นั้นยังไม่ถึง ไม่ถึงขั้นที่จะมีทางเป็นพระอริยะจนบรรลุเป็นพระอรหันได้แต่ถ้าเป็นดังที่อาตมากล่าวแล้วภาคเพี่ยนไปเถอะนี้อริยสัพพิวิเศษสุดเราจะถึงพระอรหันได้ความเป็นพระอรหันของพุทธไม่ใช่เป็นพูท้ทธที่ไปปฏิบัติแล้วก็นั่งสะกดจิตหลับตาเฉยๆซึ่งเขา้าใจผิดกันมากอันนี้ปฏิบัติอย่างนี้คือปฏิบัติอย่างมรรคองแปดปฏิบัติได้ทุกเวลา ในเวลาที่เราจะมีความนึกความคิดเรื่อว่าสังกปนานะความนึกคิดเราก็อ่านความนึกคิดแล้วนั่นแหละเมื่อเวลาเราอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ลืมโพลงโพลงนี่แหละมีสัมผัสรู้อยู่ตาก็เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลินล่นลิ้นได้รสทางกายต้องสัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งใครเป็นยังไงก็รู้หยุดเป็นเต็มๆเหมือนคนธรรมดาใจเป็นตัวสําคัญรู้ตลอด มีจิตวิญญาณนี่มันอ่านรู้ฝึกฝนไปเรื่อยเพราะเมื่อเรารมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดขึ้นรับวิถีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วเราก็มีผัสสะมีการกระทบสัมผัสตั้งอะไรในรู้ตัวแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์เกิดอาการมีกิเลสกิเลสมันวัยปรุงจิตเราเรื่อยปั๊บปัปั บ, ป บ, ป บ, ป บ, ปบจับมันได้แล้ววิเคราะห์มีธรรมวิจัยสัมโพธจงวิเคราะห์ในขณะคิดก็วิเคราะห์แม้พูด นะสังกปะวาจากรรมมันตะอาชีวะนี่อยู่ในมรรคองแปดทั้งนั้นเป็นตัวปฏิบัติแท้ไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะคิดไม่ว่าเราจะทํำอริยบทอย่างไรกรรมกิริยาอยู่อย่างไรมันจะกระทบสัมผัสอะไรกับใครอย่างไรเราก็อ่านกิเลส ข, ของเราตลอดเวลาแล้วก็พยายามลดละทำลายกิเลสตลอดเวลาหรือปฏิบัติอาชีพ สังกระปาวาจากรรมันตะอาชีวะอาชีพทำอาชีพอะไรอะไรอยู่ก็ตามปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าได้ทุกแห่งทุกหอนมาเรียนรู้ฟังปริยัติฟังภาษาคำสอนฟังภาษาการอธิบายบ่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ง่ายฟังแล้วเหมือนเข้าใจนะหลายคนบอกโอ้โหฟังขณะที่อาตมาพูดนี่มันเข้าใจดีเหลือเกินพอออกไปอะไรไว้ยลืมละมันเมื่อกี้มันเข้าใจดีดีนะ ออกไปพ้นไม่ทันเลยนี่แหละยังไงมันไม่ง่ายนะอาตมาว่าไม่ง่ายทั้งๆที่อาตมาก็พยายามทําให้ง่ายพยายามอธิบายทําให้ง่ายจะให้ได้เข้าใจง่ายๆแต่บ่อยๆฟังบ่อยๆเข้าแล้วก็อ่านความจริงที่ตนเองเป็นตัวเองมีบ่อยๆมันก็จะชํานาญมันก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นของจริงเพราะไม่เป็นนา ม, มาทํา ไอ้ที่พูดไปนี่มันไม่เห็นตัวตันจิตวิญญาณมันเป็นนามมาทําทั้งหมดอาการของความโลภอาการโกรธอาการราคะอะไรมันก็นามมาทําทั้งนั้นมันเกิดเมื่อไหรเรายังไม่เคยอ่านมันก็ไม่ได้อ่านถ้าหัดอ่านมันเมื่อไรมันก็ได้อ่านเคยอ่านใจตัวเองไหมเวลาเราโกรธโอ้โหโกรธเห็นเลยใจของเรามันเป็นไงเย็นเจี๊ยบเป็นไงใจเป็นไง กำลังโกรธจัดๆเนี่เป็นไงใจเคยรู้สึกไมเราเคยรู้สึกว่าอาการใจเราไม่ให้มันปุดปวดปดปดปวดเลยนะใช่ไหมปวดปุดเย็นเหรมันรน้อนมันอะไรเนี่ละอ่านให้เห็นอาการนะพระเจ้าจะบอกให้เห็นอาการลิงคะนิมิตพุเทศให้อาการของมันลิงคะมัดเขามามันจะมีความแตกต่างกันโลภกับโกรธอาการมันต่างกันนะจิตเรานี่แหละอาการโลภอาการโกรธเรียกว่าลิงคะอันนี้เป็นความต่างกันผู้หญิงผู้ชาย ตางกันนี่เพศหญิงนี่เพศชายอันนี้ก็เพศต่างกันนี่เพศโลภนี่เพศโกรธหรือแม้แต่โกรธมากกับโกรธน้อยก็มีลิงคะมีความต่างกันเนี่ยเราจะรู้จักความต่างต่างๆหลายๆลักษณ ะ, ะบางทีมันผสมกันนะมันร่วมหัวกันไอ้จะโลภกับโกรธมันรวมหัวกันโอหัหน้าดูเลยยิ่งมันร่วมหัวกันเมื่อไหร่ล้วเจ้าพระคุณเนยมันหนัก นี่กโกรธพราไม่สมโลบข้าน่ามันเอาหนักเลยนะยิ่งโลบจับแล้วก็ยิ่งหมายตอนนี้มันทําให้เดือดมากๆด้วยนะโกรธมากๆด้วยแล้วไม่สมโลบไม่สมความต้องการของข้ามากๆด้วยบ้ารับรองอาการนี้ดูได้ง่ายถ้าอ่านนะถ้าไม่อ่านไม่รู้หรอกฝึกอ่านจับมันให้แม่นแล้วอย่าให้มันมีเลยมันเกิดอยู่นะมันก็อั่างนั้นนะ ไอ้อาตมาพูดอย่างนี้เราฟังง่ายนะแล้วไปทําเถอะจะห้ามมันอยู่ไหมจะลดมันลงได้ไหมแต่ต้องลดให้ลงถ้าเกี่ยบระปุติจาร์แล้วต้องลดลดมันจริงๆลดแล้วเจริญนี่เป็นทรัพย์ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีได้ไม่มีใครทําไม่ได้พระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่หพระองค์ท่านก็ช่วยให้คุณทําไม่ได้ท่านก็ช่วยแต่ชี้ทางเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางก็คือบอกอย่างที่อาตมาบอกนี่แหละท่านอาจจะบอกเก่งกว่าอาตมาอาตมา ก, ก็บอกเท่าที่อาตมามีปัญญามีภูมิมีความสามารถ พระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่อีกร้อองค์ก็เหมือนกันท่านก็ได้แต่ผู้ชี้ทางส่วนใครจะได้นะั้นไปทําเองพอรู้แล้วก็ไปทําฝึกฝนเอานะโลกทุกวันนี้มันร้อนร้อนมากๆเลยไม่ใช่ร้อนอากาศร้อนร้อนอะไรมั่งนะไอร้อนความอยากอะไรไปตามๆโลกเขาทั้งหมดนะเขาไปสมมุติอย่างนั้นเขาไป เอาอะไรมาประโคมกันโปรโมทกันโฆษณายั่วยวนอะไรกันก็เป็นโลงก็เขาไปหมดจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นถ้าไม่ไปเอาเขากเหมือนกับคนประหลาดไม่ไปแย่งไปชิงเขาว่าประหลาดไม่เปนิยมอย่างที่เขานิยมไม่มีค่านิยมอย่างที่โลกเขานิยมก็เหมือนคนบ้า แต่นั่นแหละเขาไม่รู้ว่าสาระของเขามันมากแค่ไหนสาระจริงๆของชีวิตมันแค่ไหนสาระจริงๆของชีวิตมันไม่มากเลยนะเล็กๆน้อยๆพอสมควรเราไม่ต้องไปเทศเดอเอามาบมเรอตนมาอะไรแต่อีกเดี๋ยวนี้มันยิ่งโอโ้โหค่าความสุขมันแพงนะค่าความสุขเดี๋ยวนี้แพงเน้นหาเรื่องให้ตัวเองทั้งนั้น อ, อยู่ในสังคมอย่างนี้เป็นต้น จะแย่งลาบอย่างยศอย่างอํานาจอะไรก็ตามแต่อํานาจทั้งหลายแหล่นี้ก็เพื่อที่จะไปสแสวงหาอะไรมาบําเรอตนกอบโกนมาให้แก่ตนอํานาจที่ธรรมะเป็นอํานาจนั้นนะ่ะคนเขาให้เราเองและเราไม่ต้องไปใช้ให้มันเป็นอะไรแก่เราเขาจะให้เขาจะให้เราใหญ่เขาจะเชิดชูบูชายกย่องกราบไหวเราพูดอะไรเขาก็จะเชื่อ พูดอะไรเขาก็จะฟังไม่ใช่อำนาจที่จะต้องไปเองต้องฟังข้าถ้าเองไม่ทำตามข้าข้าจะฆ่าแกข้าจะไม่ให้อำนาจข้าจะไม่ให้ยศข้าจะไม่ให้เงินข้าจะไม่ให้ผลประโยชน์นี่โลกีเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ในทางธรรมะนั่นน่ะโลกีนี่เอาอำนาจเป็นธรรมธรรมะไว้มีอำนาจเองอำนาจนี้วิเศษอำนาจนี้ไม่เป็นอำนาจแต่มันก็เป็นอำนาจ มันเป็นฤทธิ์เป็นแรงมันเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างที่เรียกว่าไม่ต้องไปแสดงอํานาจบาดใหญ่มันเป็นมันมีเรื่องแสดงยิ่งแสดงน้อยเท่าไหร่แสดงไม่ต้องเบงแต่ให้เป็นสัจจะเถอะมีประสิทธิภาพสูงทําเป็นอํานาจให้เป็นสัจจ ะ, ะมันมีประสิทธิภาพพิเศษแต่คนไปนแสวงหาอํานาจอํานาจโลกี อำนาจที่จะต้องเป็นาธาตุลาภยศเสน่แสนโลกียสุขโลกียะหรือโลกธรรมมก็มีเท่านั้นแหละลาภยศเสน่แสนโลกียสุขนั่นแหละไปแสวงให้มีสิ่งเหล่านั้นมากๆแล้วคนก็ไปเป็นาธาตุสิ่งเหล่านั้นกันเพรา ะ, ะชาวโลกีย์จะเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วก็มองหยามมิ่นทางโลกุตระหรือว่าทางธรรมคนมีธรรมไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเงิ น, นก็จริงนะน่ะคนมีธรรมก็ยิ่งไม่เอาเงนินก็ยังไม่มีเงินยิ่งไม่สะสมก็ยังไม่มีไอมาพึ่งกับไม้มันไม่มีเงินมีทองให้เรา จะอำนาจบาดใหญ่ที่จะไปอ้าวแต่งตั้งเป็นโน่นแต่งตั้งเป็นนี่อะไรก็ไม่ได้ให้มียศมีชั้นให้มีอำนาจปกครองบริหารคนเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้ดีไม่ดียิ่งอยู่ยุคนี้ยิ่งชัดเจนไม่ได้สันเสริญ น, นะได้ด่าได้ถูกดินทาว่าร้ายถูกดินทาว่าร้ายทุกวันนี้อัตมาก็ยังถูกดา่าถูกว่าอย อาตมาอยู่ที่ไห น, นอาตมาก็ทํางานอย่างนี้แหละทํากรรมกิริยาอย่างนี้ทําสิ่งที่ทําได้ทำสิ่งที่ชิดพอดีนี่แหละไม่ไปทำอื่นอีกหรอกอะไรอะไรที่อาตมาสบายแล้วก็สบายไม่ต้องไปข้นขวายหาอะไรมาบำเรอตนอะไรกันที่รักหนาเสื้อผ้านาแพรก็จะต้องเอามาบํารุงบาเรอจะต้องสวยต้องงาม น, นึ่งวนี้ไม่จริงๆอาตมาแ น, น่ใจว่าอาตมาไม่กินอยู่รับนอนกินกับอาหารเท่าเนี้พอ วันวัมือ้อนึงก็เพื่อให้มันได้ถาดไปเลี้ยงขันให้มีกําลังวังชาให้มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรก็ไม่กลัวก็เกินการอาหารก็แถวเราทําได้เป็นอาหารปลอดสารพิษก็เอาก็กินไปวันวันทุกวันนี้นีนโลกมันมันเป็นพิษเป็นภัยหมดแล้วก็ไม่รู้กันถูกหลอกลอกอะไรกันไปหมดเต็มไปด้วยสารเคมีที่เอามาปลลปลมในร่างกายเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมชาติ แล้วก็เป็นสารเคมีน้อยมากบาน้อยมากน้อยบ้างมากบ้างจนกระทั่งคนทุกวันนี้นี่ในรุ่นคนรุ่นนี้แล้วนี่ยีนของคนนี่อ่อนแอมากเพราะฉะนั้นจะเป็นโรคมะเร็งจะเป็นโรคอะไรต่างๆนานาเนี่แต่ก่อนอายุยังต้องมากนะถึงจะเป็นมะเร็งเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่หรอกเพราะยีนมันอ่อนแอหมดแล้วเลยก็ยิ่งได้รับพิษจากสิ่งบริโภคทั้งหลายไม่ว่าภายนอกหรือภายในเป็นสิ่งบริโภค ซับซ้ำเข้าไปยังแถมมีพิษที่ร้ายอีกอย่างนึงก็คือพิษทางอารมณ์ะสมประสานเข้าก็เลยเป็นโรคเนี่ยอาจามาเคยบอกว่ามะเร็งเนี่ยเหตุหนึ่งที่เป็นมะเร็งกันง่ายก็คือโรคอารมณ์เสียเครียดกดดันแต่ก็ไม่ไม่เชื่อกันอา่มาพูดมาก็นานแล้วเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเรามาทำอารมณ์ให้ดี ไม่ต้องมีอารมณ์เครียดไม่ต้องมีโลภโกรธอะไรมากมายเนี่ยจะช่วยให้เราไม่เป็นมะเร็งแต่นั่นแหละวิบากของคนอาจจะมาตอนนี้ก็ได้แต่ก็ทําไมชาวพุทธกันชาวอโศกนี่ก็ต้องไม่มีเป็นมะเร็งทีอ่าก็คุณมีบากของคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นอะไรแค่ไหนมาใครจะไปรับรองได้ดีนะถ้ายังไม่มาเนะี่ยิง่งยิ่งกว่านั้นนะ น, นะจะไายกาด้วยแรงหรือทุกยิ่งกว่านั่นอีกมาถ้าได้บ้างก็จะยังได้รับประโยชน์ นะเพราะว่าเรื่องวิบากของใครในใครไปแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้ทั้งวิบากของใครของมันสะสมมาแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยในโลกนี้นี่มากเหลือเกินอาตมาเองอาตมาไม่รู้ว่าทำไมนะคนก็ว่ามีปัญญากันมากนะในสังคมนี้ก็มีปัญญากันทั้งนั้นทำไมไม่เข้าใจทำไมไม่มาสนใจทำไมไม่มาพยายามกอบกู้มนุษยชาติช่วยกัน นอกจากไม่ช่วยแล้วยังจะถลมะ่มไออัตมาก็เออยุคนี้มันไร่หรอเนาะคนที่จะมีภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาพุทธที่เรียกว่าพุทธพุทธนะมันไม่จะพุทธทีเดียวหรอกมันแฝงแฝงเรียกจะยี่ห้อแต่ตัวจริงมันกลายไปหมดแล้วมันกลายไปเป็นอะไรผสมผสมเลอะเลอะเทอะเทอ ะ, ะ, ะอย่างที่เห็นเห็นกันนะมันไม่มีเนื้อแท้ แต่เขาก็หาวัาตามามัยไปเทนได้ว่าเขาเบ่งขมเขาดูถูกดูแคลนเขาอัตามาก็ว่าอัตามาไม่ได้ดูถูกอัตามาพูดความจริงให้ฟังใหส้สำเนียกสำนึกศึกษาแล้วปรับปรุงแก้ไขเสียและยิ่งไม่มีใครรู้ยิ่งไม่มีใครบอกแล้วมันจะไปยังไงนะมันก็ไปกันใหญ่ที่ก็ยิ่งไปพากันลงหุบลงเหวไปใหญ่อัตามามาบอกบ้างนะนะเอาไปคิดบ้าง อย่างที่เขาเป็นกันอยู่อัตมาไม่สงสัยรอเพราะอัตมารู้อัตมาก็เคยผ่านเคยเป็นแม้ชาตินี้อัตมาก็เคยผ่านไปเล่นไปหัวมาอย่างนั้นอย่างนั้นอัตมาก็เคยทําแต่เมื่ออัตมารู้ตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วอัตมาก็เลิกแล้วก็ไม่แห่ไปทำเหมือนพระพุทธเจ้าไปนั่งในปางที่ท่านจะตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังไปทรมานตนไปกินขี้กินน้นกินนี่ทํำทรมานอย่างน่อนอย่างนี้่น ไปหาอาจารย์อารานดาบทอุทกดาบทเป็นนั่งหลับหูหลับตาเลยเขาถ้าก็ไปสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางเหมือนกันนะอาตมาก็ไปบ้างตามประษาอาตมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไปของท่านตามท่านแต่เมื่อรู้ตัวแล้วเมื่อถึงเวลาก็มาเอาสิ่งนี้สิ่งที่มีแล้วอย่างของพุทธเจ้าท่านก็มีของท่านมาเองแล้ว อาตมาก็ประกาศอยู่นะว่าอาตมาก็มีของอาตมามาเองแต่อาตมายังไม่เท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมายังไม่เป็นยังไม่ได้เป็นผู้ที่จะถึงขั้นบรรลุสมาสัมโพธิญาณอะไรสังสมอยู่แต่ในยะเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าไม่ใช่เท่ากันคนละระดับไม่ใช่ไปตีตนเสมอแต่อยู่ในทางเดียวกันคลองเดียวกันเท่านั้นอย่างนั้นคนก็หาว่าอาตมาอยากเป็นพระพุทธเจ้าอาก็อยากเป็นจริงๆทเทียบเท่าพระพุทธเจ้าบอก ใครบอกสักทีหนึ่งว่าเทียบเท่าพระพุทธเจ้าคือฟังกันไม่ชัดแล้วก็ว่าเราอย่างเงี้ยอัตมาก็ยังยืนยันที่อัตมาว่าอัตมาไม่ได้พูดพิษอัตมาพูดทุกแต่คนฟังไม่ชัดเองคนฟังไม่ได้สับเองนอกจากไม่ได้สับแล้วเจตนาข้าจะไม่พยายามทําความเข้าใจแล้วข้าจะเอาเงี้ยเพื่อจะเอามาดา่าอย่างนี้ก็มีจริงจรนะมันพอจะเข้าใจเหมือนกันแต่ไม่ได้ถือขืนเข้าใจเดี๋ยวไม่ได้มีข้องดา่า ไม่ได้มีตัวที่จะด่าแลก็ทําเป็นไม่เข้าใจโง่งมันอยู่อย่างงั้นน่ะหรือบางทีเนี่ยรู้แล้วล่ะเข้าใจแล้วแต่ข้าจะไม่เอาไอ้อย่างที่ข้าเข้าใจไม่เอาข้าจะเอาอันนี้อ่ะไอ้อย่างนี้ก็จิตมันอำหิดแล้วเจตนาจะด่ากันเปล่าๆทั้งที่รู้แล้วว่าเราถูกก็เป็นจริงแต่ว่าจะเอาข้อที่ตัวเองวิเคราะห์ผิดนั้นมดาเราอีกตัวเองวิเคราะห์ผิดนะรู้แล้วเราเป็นอย่างงั้น่ะแต่เอาสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์ผิดนั้นมนดาด่าอยู่ได้อ่ะ เป็นคนยังไงเอาคิดดูสิอะคนคนนี้เป็นยังไงเขาทาเขาทำจริงจริงเขาก็ทําอยู่เือตมาเองอัตม า, ตมาไม่เชื่อว่าเขาจะโง่จนกระทั่งไม่รู้นะอัตมา ก, ก็พูดจนหมดอธิบายกล่าวแก้อะไรๆไปให้ชัดเจนหมดแล้วถ้าติดตามก็รู้หนึ่งอัตมา ก, ก็คิดว่าบางคนก็คงได้รู้แล้วะแต่ก็รู้แล้วก็โยนทิ้งไม่เอาไอาท้ทรู้นี่มันเอาเองถูกนี่ว่าไม่เอาอันเองถูกข้าจะเอาอันที่ข้าคิดว่าเองผิดนี่แหละมาพูด อยู่ยังงั้น อ, อัตมาก็เออยิงเห็นว่ า, าคนเราเนี่ยจะทำยังไงก็ทำกันไปที่ทำงานมาทุกวันนี้อัตมาก็เห็นผลนะแม้กระทั่งว่าผู้ที่มาบ้างไมมาอย่าง เ, าเข้ามาสนิทชิดเชือ่อหรือว่ามากันอย่างมากมากันพอประมาณก็ยังได้ผลได้ประโยชน์ก็เห็นว่าถึงแม้อย่างไรก็ตามก็ยังมีผล ทางทั้งยากธรรมะพุทธเจ้านี่ไม่ง่ายแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังเอาได้ทําได้ก็เท่าที่ได้ได้เท่าไหร่ก็ดีได้เท่าไหร่ก็ไปเมื่อได้แล้วมันก็เกิดเป็นกลุ่มเป็นหม่เป็นชุมชนเป็นคณะอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละซึ่งมาเข้าใจว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่ยากชีวิตนี้ก็อยู่ร่วมกัน มีกิเลสอยู่เราก็ลดกิเลสเราไปทุกวันพยายามพากเพียรลดซึ่งผู้ที่อยู่อย่างทุกวันนี้เนี่ยอยู่ยังต้องสมัครใจถ้าไม่สมัครใจแ ล, แล้วกิเลสมันดึงไปได้ง่ายกิเลสมันดึงจริงๆเรมีฤทธแรงมากนะกิเลสเนี่ยโลกโลกเนี่ยมันดึงไปมากที่อยู่ก็นี่อาตมาไม่ได้ดึงไว้สักคนนะอยู่เอง แล้ ว, ว่าอาตมาไล่ซะด้วยซ้ำไปอาตมาก็พูดทุกทีแต่ก็ไม่ได้บรรละนะอาตมาบอกคุณใดไม่อยู่ก็ไปให้พูดอย่างงี้หาว่าไล่เรื่อยเลยอาตมา ก, ก็บอกว่าไม่ได้ไล่อาตมาพูดสัจจะว่าอิสระเสรีภาพใครอยู่ก็อยู่สมัครใจอยู่แต่อยู่ก็ถูกขัดเกลาอยู่ก็โดนโดนเทศเทศแปลว่าอะไรรู้เปล่ารู้ไหมเทศแปลว่าอะไรไทยไทยเราเรียกโดนเทศแล้วเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าด่าโดนเทศแล้วก็เทศใช่เทศนี่คือส่วนมากตำหนิห ร, หรือด่าหรือดุนั่นแหละส่วนมากเพราะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีนั้นต้องรีบบอกกันถ้ามีความไม่ดีอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็ชั่วดิมันก็สะสมชั่วอยู่เรื่อยใช่ไห พยันผู้รู้ถ่ารู้ว่าเออนี่ไม่ดีถ้าจะรีบบอกพยายามบอกนะรีบบอกพยายามบอกเพราะฉะนั้นไใ้สิ่งที่เป็นชั่วเนี่ยเป็นความไม่ดีนี่จะต้องได้รับบ่อยๆจะได้รับการบอกซ้ําๆบอกบ่อยๆบอกบอ ก, ก่อนส่วนดีนั้นอ่ะอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่แปลกอะไรนี่แม้ใครไม่บอกเราขอถ้าเราดีอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียอะไรมันไม่ได้เลวลงนี่ แต่ถ้าบอกว่าเราไม่มีไม่ดีแล้วเราก็ไปทําเลวอยู่นะมันก็เป็นการสะสมทรัพย์ที่เลวสะสมบาปก็ต้องรีบบอกว่าหยุดจานะอย่างนี้ไม่ดียังไงฉีกหน้ามันออกมามันเลวอย่างงี้นะมันไม่ดีอย่างงี้นะมันหน่าเกลียดอย่างงี้นะมันไม่น่าโอ้โหมันน้าทุเรศทุรังการอย่างงี้นะทีนี้ไอตัวคนนั้นมีสิ่งนั้นกันข่าโดนว่าก็เป็นทีจริงนั้นไม่ได้ว่าคนว่าไอสิ่งไม่ดี แต่ตัวเรามีสิ re really to to so ่งไม่ดีแล้วก็ไปหลงผิดว่าไอ้สิ่งไม่ดีคือเราก็เลยว่านี่ว่าเราด่าเราก็เมื่ออยากไม่อยากให้ด่าเราเราก็จงเอาสิ่งไม่ดีนั้นออกไปเสียจากตัวให้ได้เพราะเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวแล้วด่าเมื่อไรก็ไม่ถูกเราแล้วจ้ะเนี่ยไม่ถูกแล้วอย่างอาตมานี่เขาด่าอาตมาว่าเป็นเดรัจฉาน ใครเคยเห็นบ้างอ่ะตัวสีแดงเลยนะปกหนังสือพยาครุธนะ่ะเดริฉานโพธิรักโอ้โหตัวบโรุเลยไม่มีรูปอะไรมีตัวหนังสือตัวหนังสือดาตมาอย่างเดียวแล้วหน้าปกสีแดงแป๊ดเลยแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะอ่ะอาตมากา็เออเจ้านี่มองอยังไงเห็นเราเป็นเดริชานนะ เราก็ไม่มีอะไรเป็นเดรัจฉา น, นเราก็คนดีไม่ดีหลอก็บางคนในคณะทํางานเขาด้วยนะแล้วหาว่าเราเป็นเดรัจฉาน <c oughs> <g ül> ก็เราไม่ได้เป็นแล้วเราจะไปโกรธทําไมเราจะไปโดนด่าทําไมนึกออกไหมอาตมาไม่ได้เป็นเดรัจฉานเขาด่าอาตมาเดรัจฉานแล้วไม่ใช่สักหน่อยแล้วไม่ใช่จริงๆนะอาตมาว่าไม่ใช่จริงๆหรือใครว่าใช่ ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคนเราถึงบอกว่าอย่าไปบ้าจี้ตามที่คนว่าเลยถ้าเราตรวจเราจริงแล้วว่าเราไม่ใช่แล้วก็เฉยอัตมาเคยบอกไม่รู้ว่าตั้งเท่าไรครั้งมาแล้วถือตัวใครว่าเรามั่งก็ไม่ได้ทั้งๆที่เขาว่าไม่ถูกเราสักหน่อยเขาว่าเราเป็นอย่างโน้เป็นอย่างนี้อ่ยกตัวอย่างง่ายๆได้แล้วไอ้หมาอย่างนี้เอ๊ะก็เราไม่ใช่หมาเถอนิดนึง ก็เราจะไปโกรธทําไมแล้วก็บอกเขาอ๋อคุณเห็นยังเราเป็นหมาจริงๆเลยถ้าลักษณะนี้เป็นหมาก็คงจะเป็นด้วยกันเยอะนะนะในสังคมเรานี่กันสองขาเดินสองขาอย่างนี้เหมือนกันก็คงจะเฮ้ยพันุ์นี้คือพันุอะไรหมาพันุ์นี้นี่พันุ์อะไรพันุเดินสองขาสองมือพูดได้ด้วยนี่พันุ์อะไรเอ้ยมันคล้ายๆคุณหรือเปล่าถ้าพันเดียวกันนะมะ นี่ก็พูดไปให้ฟังให้มันดูสนุกสนุกเนี่ยเราวิเคราะห์ความจริงเราเราจะรู้สึกว่าเอะเราก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรถ้าเขาก็มาว่าเรามาด่าเราถ้าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้จะมองเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาว่าเนตัวนี้ดีกันแล้วการข้อสําคัญเราเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวนี่สิอาทีนี้มองเป็นนามธรรมาถ้าเรามีจิตวิญญาณเหมือนหมา หมามันโง่ยังไงมันชั่วยังไงมันทําเร็วยังไงไอ้เราก็เหมือนหมามันทำอย่างนั้นนะไอ้ยอย่างนี้เป็นนามมาทำเออเขาว่าเราเป็นหมาในลักษณะอย่างนี้ใช่ของเขาเราก็ต้องรับแต่ถ้าเราไม่ใช่อย่างเขาเไม่ใช่อย่างที่เขาว่าเนี่ยพิจารณาแล้วตรวจสอบแล้วไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตื่ น, ต, นตัวแล้วไม่ต้องไปโกรธไปแค้นอะไร ที่อาตมาบอกว่าอาตมาเคยบอกตั้งหลายครั้งก็คือว่าคนเราเนี่ยใครเข้ามาด่าเราเนี่ยเขาด่าเราถูกต้องมาชี้ว่าตำหนิอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องเราไม่ดีบกพร่องอย่างที่เขาว่าเราควรตรวจเขาไหมฮะอ่าก็เราเองเราเป็นอย่างที่เขาว่าเขามาด่าเราว่าเป็นอย่า ง, งานงั้นอย่างนี้แล้วเราก็ตรวจตัวเราเองเออใช่ฮะเราเป็นอย่างที่เขาว่า เราไม่ควรโกรธเขาเลยเขาชี้ตัวไม่ดีให้แก่เรารู้ตัวเราก็ขอบคุณเขาเส้นด้วยซ้ําทีนี้เขามาว่าเราดา่าเราอย่างนั้นแหละแล้วก็ตรวตัวเราเอ๊เราไม่เป็นนี่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเลยตัวอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างตัวเองตวดดัวดูแล้วเราไม่ได้เป็นเมื่อเราไม่ได้เป็นแล้วมันถูกตัวเราเปล่าถูกตัวเราไหม เราไม่ได้ผิดใช่ไหมเขาว่าเราผิดเขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ผิดอย่างเขาเป็นอย่างเขาว่าเราก็ไม่ได้ชั่วอย่างเขาว่าแล้วใครผิดใครผิดเขาว่าเราก็ตําหนิเราเขาตําหนิเราอย่างไม่ถูกต้องใครผิดคนตําหนินั้นผิดเพราะคนตําหนิตําหนิไม่ถูกเขาก็โง่ของเขาเขาก็ผิดของเขาอยู่ที่เขาความผิดอยู่ที่เขาความโง่อยู่ที่เขาถ้าเราจะไปโกรธเขาทําไมเราไม่ได้เป็นอะไรเราโกรธนี่มันเป็นยังไงล่ะเป็นทุกข์ ใช่ไหมพอเขาว่าแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าสักหน่อยเราก็เลยบ้าจี้โกรธเลยเลทุกเลยโง่าตามเขาอีกตรงที่เราทุกเราตรเราโง่ตรงที่เราโกรดนี่แหละทั้งทั้งที่เราเป็นเป็นอะไรสักหน่อยเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเลยจะบงคณเลยเห็นไหมว่าคนโง่ตรงไหนแล้วเคยโง่อย่างนี้ไหมหลายครั้งนับไม่ถ้วนเมื่อใดจะหายโง่อย่างนี้สักทีอฮะเพราะใครเขาด่าเราใครก็ตําหนิเราฟัง ฟังด้วยใจเบิกบานใจเป็นกลางแล้วตรวจทันทีเลยใช้วิจารณญาณตรวจให้เร็วเลยฝึกเข้าไรเมื่อไร่ก็เร็วเท่านั้นถ้าไม่ฝึกก็จะช้าถ้าฝึกก็ฝึกตรวจแล้วคนที่ไม่โกรธเพราะาว่าปั๊บแล้วโกรธทันทีเนี่ยมันเสียท่าเลยโอ้ยคนนี้เนี่ยนี่ถ้าเป็นนักมวยแล้วยั่วเนี่ยรับรองถูกน็อกแง่แง่เลยยัว่วนิดยั่วหน่อยก็โกรธ เ, เสียส์มวยหมดเลยนี่เราจะ่าไปถูกยัว่วเขาจะยั่วให้เราโกรธเขาจะว่าจะดา่าแล้วปั๊บเราฟังตั้งใจให้ตั้งสติให้ดี ฟังแล้วเอามาคิดบอกแล้วฝึกเลยเอามาคิดตรวจตรวจหมาเครื่องคอมพิวเ ต, ต, ตอร์เราต้องเร็วนะประสิทธิภาพสูงตรวจไม่เจอแต่อย่ราระวังอย่าลําเอียงนะซ่อน <c oughs> ซ่อนฮาร์ดดิสไว้ลึกเลยนะแล้วเอามาใช้เอามาจะไฟล์ต้นๆนะนะไม่ตรวจฮาร์ดดิส <c oughs> ตัวไหนตัวทห่พบตัวทห่เจอตรวจครบครบแล้วอ๋อเราไม่มีเราไม่มีจริงๆ ถ้าเราตัวแล้วเราไม่มีเราก็เฉยทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเถ้าแหมมีไม่มีไม่รู้เราวูบวามก่อเลยโกรธเลยน้ามืดเลยทีนี้ทําอะไรไม่ถูกแล้วทําอะไรก็ผิดผิดผลาญทาอะไรก็เสียให้ใหายคนเราเป็นอย่างนี้นะและชอบฝึกอย่างนี้ด้วยนะดีเปล่านะไม่ดีจําไว้อย่าไปฝึกอย่างนี้เป็นอันขาดความโกรธไม่มีอะไรดีเลย ไม่ว่าจะอยู่เรากี่วินาทีไม่มีดีเลยไม่ส่งเสริมอะไรเลยทุกอย่างเดียวแล้วก็โง่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวว่าเราโกรธเมื่อใดคลิกอิดเอามันออกจากจิตทันทีอย่าให้มันมีในจิตเราตลอดกาลนานเมื่อใดเราไม่มีความโกรธในใจเมื่อนั้นเราเป็นพระอริยะระดับหนึ่งแล้วมีแต่สบายกับสบายไม่เชื่อลองดูท่าทายให้พิสูจน์ ไม่มีความโกรธจะได้ไม่มีความโกรธไม่มีความเครืองไม่มีความอาฆาตไม่มีความขุนใจหมองใจไม่มีให้ได้ล้องดูถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ในใจแล้วมามาท้าทายกับอาตมาว่าคุณไม่สุขมาอาตมาว่าสุขเป็นความสุขระดับหนึ่งที่หมดไปในสายหนึ่งโทสะมูลหมดอาฆาตความโกรธความเคืองแล้วมันไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรในใจคนเลยมันไม่ช่วยให้เราดีสักอย่างเลยเจ้าโกรธเนี่ย เจ้าโลภยังมีประโยชน์นะโลภในนิพพานโลภในกุศลโลภในอะไรยังมีประโยชน์บ้างนะไอ้เจ้าโกรธเนี่ยไม่มีประโยชน์สักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคันฉลาดแล้วระลึกรู้เมื่อรู้อาการทางใจของเราว่ามีความโกรธเมื่อใดอย่าให้เกิดจะระ ง, งับด้วยวิธีใดยิ่งเห็นด้วยปัญญายิ่งเราโง่แล้วเนี่ยว่ามีอาการโกรธแม้น้อยนิดหยุดแกอย่ามาแหลม รู้จักไม่เจ้าแหลมใ่ส่งกันบ่อยเหมือนนี้มีงานมีเรื่องอะไรแล้วส่งเจ้าแหลมแทรกแซงทุกคลื่นเลยเจ้าแหลมเขาลเลยเรียกเจ้าแหลมอย่าให้มาแทรกลงไปในจิตวิญญาณเราถ้าไม่ได้อะไรมาฟังเทศวันนี้เอาอันนี้ไปปฏิบัติฟังแล้วมาเ อ, อพูดอะไรก็หมายรู้มากมายบางทีภาษา บ, บาลีก็เยอะแยะแต่อัตมาก็แปลนะบาลีก็แปลให้ฟังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไม่เป็นไร อันนี้คงงเข้าใจนะอ่านใจอาการไม่ชอบใจอาจารย์คุณหมอเมื่อไรหยุดเมื่อ น, นั้นเลิกรับรองเราปฏิบัติเมื่อใดเดี๋ยวพ่อก็รักแม่ก็รักพี่ก็รักเพื่อนก็รักเราไม่โกรธให้ได้เนี่ยจะมีมิรมากคนไม่โกรธเนี่ยไม่อต น, นาเขียวตาเขียวงเขียวงอกไอ้แบบนี้หามิรไม่ได้อะไรเขาแตะหน่อยก็หมายมือก็คนจะกัด อย่างนี้ไม่มีมิตรหรอไม่มีใครเขารักอย่างน้อยเนี่ยนะเราไม่มีความโกรธเนี่ยไม่มีอาการโกรธเป็นคนไม่โกรธอย่างเดียวเนี่ยมิตรจะมากแล้วจะมีอะไรแต่ใดได้ประโยชน์อีกเยอะแยะจะสร้างสรรคอะไรก็จะมีองค์ประกอบที่ช่วยเหลือเฟอือฟาเกื้อกูลรวมพลังได้ดีนะก็ขอฝากอันนี้ไว้สําหรับวันนี้นะถ้าเผื่อว่าผู้ใดฟังอะไรมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรก็เอาอันนี้ไว้ก่อด น, นะในคําช้าไปก่อน อาละอัตมาก็คิดว่าก็ว่าไปพอสมควรผู้ได้ฟังใหม่ก็ได้ฟังอาจจะแปลกหูอาจจะหาอัตามานี่มาอะไรกับสังคมก็ไม่เป็นไรถ้าคนได้ฟังเก่าก็อัตมาก็พูดซ้ำๆคนฟังเก่าๆก็เรื่องเก่าแต่ก็มีจุดประเด็นที่ว่าพูดในศิลปะการพูดมันอาจจะมีเหลี่ยมมุมอะไรที่เข้าใจง่ายขึ้น มันเรียมใหม่วิธีพูดมันมีใหม่อะไรเพิ่มขึ้นสัมนวสสัมนวนสันนภาษาอะไรมันอาจจะมีภาษาที่มันฟังแล้วเออภาษาอธิชัดขึ้นมาใหม่ก็ได้ฟังชัดขึ้นอีกส่วนผู้ที่มาฟังคราวนี้ใหม่เลยใหม่มากเลยเพิ่งได้ฟังครั้งแรกก็ฟังไปเอาไปคิดดูอาตมาไม่มีสิทธิ์ทําให้ใครเชื่อแต่อาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงจากที่อาตมาเห็นว่านี่จริงควรพูดอาตมามีสิทธิ์อันนี้ มีสิทธ์ที่จะพูดความจริงที่อาตมาเห็นว่าจริงที่ควรพูดสู่กันฟังรีบเปิดเผยสู่กันฟังเท่านั้นส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาไม่เคยไปง้อไปงอนใครอย่าไปพูดถึงบังคับเลยไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครให้เชื่อแน่นอนเมืใครเห็นดีใครเห็นชอบใครเห็นว่าเอออันนี้ควรรับไปพิจารณาแล้วก็เอาปฏิบัติประพฤติก็ได้เอาสรุปแล้วก็อยู่ที่กรรมวิบาก <là>, มีกรม Better, มกรมไ MM. ม่วิบากมีกรรมมีของของตนกรรมสัทธาวิปากสัทธาหรือวิบากในวิบากศัทธากรรมสกตาศัทธาตถาคตโพธิศรัทธานิศรัทธาสอย่างศรัทธามายคือคว่าเชื่อความเชื่อเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากวิบากแปลว่าผลของกรรมกรรมสกตาเป็นผลของกรรมแล้วก็เป็นสมบัติของเรากรรมสกตาก็คือเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมและกรรมเนี่ยกอผล รวมลงมาเป็นของเราเป็นสัตย์ตถาคตโพธิสัตตรศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยมาบังคับนะว่าจะต้องเชื่อตามท่านใครฟังแล้วเห็นดีก็เอาไปพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์เมื่อพิสูจน์เห็นกุศลแล้วจึงเชื่อในกาลามาสูตรท้งก็ตรดไว้ชัดเจนหมดทุกอย่างบอกเราไม่ได้บังคับไม่มีใครไปบังคับหรอกพระพุทธเจ้าเราจะไม่บังคับแน่อาตมาก็ยังไม่เคยคิดจะไปบังคับใครเชื่อ แต่บังคับได้ไงบังคับไม่เชื่อเป็นไปนไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับความเชื่อนี่มันไม่เป็นไปได้ในโลกเพราะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ดูพิสูจน์แล้วเราเชื่อเราเห็นจริงอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาเห็นจริงพระ lives, พุทธเจ้าสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์อาตมาก็มาพิสูจน์โอ้ไม่ฆ่าสัตว์นี่มันเป็นทางแห่งกุศลเป็นทางแห่งความปลอดภัยเป็นความสุขไม่ฆ่าสัตว์นี่ดีไม่รู้กี่อย่างกี่อย่าง ไม่ลักทรัพย์ไม่ต้องเป็นโลภโมโทสันเอามาจน ก, กระทั่งถึงทุจริตไ ป, ปลักทรัพย์อยากได้สร้างขึ้นทําขึ้นแม้ทําไม่ได้โดยตรงเราก็ทําสิ่งที่เราทําได้เสร็จแล้วก็มีการแลกการเปลี่ยนกันก็แลกกับเปลี่ยนกันไปหรือแม้ที่สุดมันมีวัฒนธรรมไม่ถึงแรกถึงเปลี่ยนเราทำอันนี้ออกไปคนอื่นก็กำมาเกลือกูลเราหมุนเวียนอยู่ได้อย่างในพวกชาวอาโศกเราเนี่ยไม่ต้อง อ, อัตมาทำมาดีเอานี่มาแลกมาวันนี้เดี๋ยวเอามาแลกข้าว ไม่ต้องแรกหรอกเด็กเขาก็หมุนเวียนมาหมุนเวียนเกื้อกูลกันมันมีระบบวิธีมีวัฒนธรรมอยู่ก็ไม่ต้องทำตรงก็ได้เราก็ทำงานที่มันสำคัญเป็นอุปสงค์ของสังคมสร้างขึ้นมาอันไหนคิดว่าสำคัญเป็นสิ่งที่อันนี้แหละดีอันนี้เป็นอุปสงค์เป็นดิมาที่ควรจะทำรีบทำสำคัญของสังคมก็สร้างขึ้นมา เสร็จแล้วก็มันก็อยู่ในภาวะของระบบของสังคมมันก็แลกเปลี่ยนกันไปตามไม่ใช่แลกตรงแต่มันก็จะมีตัวสัมพันธ์กันขึ้นมาคนนี้ทํำนี้คนนี้ทําำนนี้คนนี้แล้วก็มาช่วยกันทุกอย่างก็ครบวงจรอย่างนี้เป็นต้นก็พึงทําขยันหมั่นเพียรยาไปทุจริตยาไปเอาเปรียบเอารับอยาเอาของเราไม่ใช่แล้วไปเอาของเขามาด้วยการขี้โกงเอาเปรียบยาไปเอาเปรียบเลยในโลก คุณเอาเปรียบคุณขาดทุนคุณได้เปรียบมาในขาดทุนคุณเสียเปรียบไปในคุณกำไรงงรึเปล่างงไหมไม่งงเหรอเอ๊ะเก่งนี่ชลาดมาจากไหนฮะเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบเปรียบกำไรแล้วมันเป็นยังไงเสียเปรียบแล้วกำไรเป็นไงเออ เ, เข้าท่าฮชเอ้ฉลาดมาจากไหนนี่ฟังมาก่อนหรือเปล่าเออไม่ได้ฟังมาก่อนด้วยเยี่ยมเราเสียสละเสียเปรียบเราเป็นคนเสียเปรียบเถิดในโลกสร้างขึ้นมากมากแล้วเราก็เอาไว้น้อยเดียวว่ามักน้อยอับปิดฉาพระเจ้ญญาสอนเราอย่างนี้สันโดษแค่นี้ก็พอ ไม่ต้องกอบโคลยไม่ต้องกักตุนไม่ต้องสะสมอะไรมากมายเรามีชีวิตอยู่ได้ง่ายๆกินน้อยใช้น้อยแล้วก็ไม่ได้ทรมานตนนะอย่างอาตมา ก, กินวันละมือ้อนึงเนี่ยโอ้อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ทรมานตนเลยนะเพราะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ตกขอยืนยันถ้าแก้ด้วยไปเข้าใจผิดว่าอ้วได้เปรียบนี่แหละว่าได้มากนี่แหละเป็นกําไรแล้วเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทุกคนต้องหาวิธีที่จะได้เปรียบมา แล้วตัคนต่างหน้าต่างต า, งตางคนที่ฉลาดมากก็พยายามหาชอบได้เปรียบมากๆแล้วก็เอาตัวเลขจากคนที่ได้มากๆนี่ไปเป็นสถิติบอกว่าโอ้เศรษฐกิจวิ่งดีแต่มันไปเข้ากระเป๋าใครส่วนรวมที่ถูกดูดมาไว้นั่นน่ะส่วนรวมที่ถูกดูดไปนั่นน่ะเป็นยังไงเขาไม่เคยไปไถ่ถามสถิติไม่ได้เกิดจากคนเหล่านั้นสถิติเกิดจากการสัมผัสอยู่ในคนเหล่านี้มันสัมผัสเข้ากระเปา๋าข้า เอาสถิติการสะพัดเข้ากระเป๋าข้ามาคํานวณสถิติว่าปีนี้หรือเดือนนี้เศรษฐกิจเท่านี้จุดเท่านี้จุดนี่คือการหลอกโลกอยู่ตลอดกาลนานนะ阿拉อัตมาร์บอแล้วว่าคงไม่มีเวลาจะพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ในสู่ฟังแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ตามขอยืนยันว่าแก้ไม่ตกตอนนี้เรายังไม่เป็นละลาบละลวงถึงปัญหาเศรษฐกิจเท่าไหร่ พอเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันเองแค่นี้ยืนยันยังไม่อธิบายออกไปข้างนอกโลกมากเรื่เศรษฐกิจเราจะอธิบายหนึ่งเรื่องปัจจัยสี่เรื่องธรรมชาติอาหารการกินปัจจัยสีนี้ไปให้สําคัญก่อนเรื่องเศรษฐกิจไว้ทีหลังยิงเลื่อนการเมืองเอาไว้บุย้ยพราะเรื่องการเมืองมันกําลังเมาหมัดกันหนักพูดก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เมาโอโ้โหเนี่ยเมากันเรียกว่า เอาอยาอะไรมาแก้ยังไม่ฟืน้นง่ายๆหรอกเมาหนักการเมืองนี่เมาจัดไม่ไหวหรอกขอพักไว้ก่อนขอเอาตรงอาหารการกินปัจจัยสีนี่เป็นหลักก่อนแล้วเศรษฐกิจขอตามทีหลังแล้วก็ค่อยเรื่องการเมืองที่บังไม่รู้ว่าอายุจะยืนอยู่ถึงขั้นไหนยังไม่รู้เลยแต่มันก็มีบ้างมันมีบ้างแต่จะว่าไม่ทีเดียวก็ไม่เน้นเอกเป็นรองรองรอ ง, รองไปแต่ว่าอันนี้เน้นตรงนี้เด่นก่อน เพื่อจะพิสูจน์ยืนยันให้เห็นว่าคนเรานี่อะไรสําคัญปัจจัยสี่สำคัญไม่ใช่อัตมากล่าบพระพุทธเจ้ากล่าวมาตั้งนานแล้วปัจจัยสี่เป็นหลักสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัจจัยสี่ยืนหลักได้แล้วเราไม่ต้องไปงองอนใครใครก็จะร่ํารวยะจะมีนาฬิกาฝังเพชรเรือสองล้าน200ล้านจะมีอะไรเท่าไหรเท่าไหรเชิญไปมีเถอะมีธนบัตรมี โกนเด่นการ์ดอะไรก็ตามใจเถอะไปเถอะตามใจเสร็จแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอํานาจก็ตามใจพวกเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่หลงไหลได้ปลื้มไม่เป็นอํานาจเราจะมีชีวิตอยู่ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยจะมีคนรักษาช่วยกันรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนสร้างบุญไปตลอดตลอด เราก็เป็นอย่างนี้กัน